เป็นเทวดาก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นผู้มีทรัพย์หรือหาทรัพย์ไม่ได้ก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นเพศหญิงเพศชายก็ดีบุคคลจะกระทําบุญกระทําบาปก็ดีผลบุญผลบาปก็ดีบรรดาสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมปรากฏในโลกสิน้นอีกประการหนึ่งสัตว์ที่เกิดในโลกเป็นอันัชกําเนิด